ก็เราอยากจะให้แต่ละคนได้ประหยัดเวลาในการทํากิจกรรมเพราะเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่การปฏิบัติแล้วควา ม, มละเอียดในการกําหนดรู้เพราะตัวกําหนดรู้เป็นตัวเหตุใกล้ให้เกิดตัวสติสมัญ ญ, ญ, ญาจะคิดว่าเรามาสั่งสมกําลังของสติสมัญ ญ, ญาเท่านั้นเอง ตัวสติตัวสติสัมยาตัวนี้ก็จะทำให้คุณรำรตัวอื่นเพราะสติสัมยาเป็นแม่เป็นแม่บทของทำทั้งปวงถ้าสติสัมยาเข้มแข็งทาทั้งปวงก็จะเข้มแข็งเหมือนกันทุกตัวเหมือนกับเป็นรากถ้ารากต้นไม้เข้มแข็ง ก็หมายความว่าทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งการทั้งดอกทั้งใบก็จะเจริญงอกงามแต่ลากไม้มีปัญหาลากไม้เป็นแมงลากไม้มันเน่าลากไม้ไม่ดูดซึมอาหารไม่ดีไม่รับน้ํารับปุ๋ยทั้งต้นทั้งดอกทั้งกิ่งทั้งการก็พ่อยเรียกว่าไม่เจริญเติบโตไปด้วยนั้นเองเมื่อวานเราพูดถึงเป้าหมายหลักการแล้วก็ วิธีการไว้โดยครอบคลุมทั้งหมดแล้วตอนนี้เราก็จะลงไปในส่วนย่อยของของการปฏิบัตินะซึ่งเราเอาหลักของสติปัญสีเป็นหลักสติปัญสีแบบเคลื่อนไหวเป็นหลักซึ่งในสติปัญสีนี่ก็จะเริ่มต้นด้วยกายานุปัสนาหว่าได้เรื่องกายก่อนเพราะมันเห็นได้ง่ายกายเป็นส่วนที่ ที่เป็นธรรมชาติที่เห็นได้ง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ธรรมชาติของกายให้เกิดความชืานมิชนานหรือให้เกิดเป็นทักษะว่วกายนี้เข า, าเรียกว่าเป็นที่ตั้งที่จะในการเรียนรู้แต่ว่าในส่วนกายเองแล้วก็เรียนรู้จากส่วนหยาบลงไปหาละเอียด ซึ่งเมื่อวานได้กล่าวไปชุดหนึ่งว่าเฉพาะเรื่องของกา ย, ยามีการเคลื่อนไหวอยู่หระดับนับต้งนแต่ลมหายใจอดิบุตสอดีบุตรย่อยอาการสามสองท่าสี่แล้วก็สุภาทั้งหอย่างนั้นเรารู้ในรายละเอียดว่าพิจารณาลมหายใจทำยังไง ในลีบที่สี่ทำอย่างไรอรีบทย่อยทำอย่างไรธาตุสี่ทำอย่างไรอากาศสามที่สองทำอย่างไรอสุภหะทำอย่างไรทีนี้ในส่วนของหมาลมหายใจเราก็จะมาผนวกกับอีบทีสี่กับอีบที่ย่อยเพราะว่าลีบท 4, ีสี่อีบทหลักรีบทย่อยเนี่ยเป็นเป็นส่วน หลักทีเดียวเพราะาลมหายใจเองก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเป็นิเนียบทอหนึ่งนะไม่ว่ายืนเดินนั่มนอนแล้วก็หายใจดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือในอิริบททั้งหมดอิริบทใหญ่และอิริบทย่อยนั้นจะเป็นตัวครอบคลุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดในส่วนกายนะ แต่ว่าในการเคลื่อนไหวนั้นเราแยกเป็นหลายกิจกรรมเช่นการออกกําลังกายก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่มีมีพลังลเป็นเป็น active meditation เป็น active movement ก็ได้ที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสได้ทุกจุดของทุกข้อทุกอาการปิยาที่เราได้ออคสใจไปเนี่ยเราก็กําหนดรู้ไปในการเคลื่อนไหวนั้นซึ่งเราได้กําลังหนึ่งทั้งสองส่วนกําลังกาย ก็ทำให้เกิดการผ่อนคลายผ่อนคลายดีเล็กไม่เกร็งไม่ตึ ง, ไ ม, งไม่แข็งไม่แข็งไม่เน็บไม่ชา้าเวลาเราปฏิบัติในส่วนกายเพราะนั้นเราก็เอาเขาเรียกว่าโยคะมีดิเทชั่นเขามาช่วยนะที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวทั่วไปเช่นว่าเราไปทำกิจกรรมอาบน้ำล้างหน้าทานข้าวพังฟันเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้เราก็จะใส่ตัว ความรู้สึกตัวนนี้เข้าไปอย่างจงใจส่วนใครจะกำหนดเข้าไปได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความตั้งใจความใส่ใจและความจริงใจในการปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่เห็นความสำคัญในการที่จะใส่สติสัมปชัญญะลงในอากับกิริยาเหล่านี้ก็ถือว่าการปฏิบัติของเรายัางไม่เข้าสู่ กระแสของการปฏิบัติวิปัสนาเพราะว่าตามที่ได้กล่าวไปเมื่อวานว่าจุดเป้าหมายหลักของเราคือต้องสร้างตัวผู้รู้สร้างตัวผู้เห็นที่เข้มแข็งให้ได้เพราะเราถ้าสร้างตัวผู้รู้ผู้เห็นที่เข้มแข็งก็หมายขงวง่าเราสร้างตัวปรมาดิสำเร็จพอตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่จะเป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าทาไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าได้สั่งเอาไว้อย่างนั้นว่า สมัยเมื่อพระองค์จะปนิพานเนี่ยพระอานุนวิตกกังวลมากว่าหลังจากปนิพานแล้วเนี่ยในศาสนาอื่นศาสนามหาวิราชาสนาของอาศาสดาทั้งหกหลังจากที่ศาสด า, าลุงรับดับขันไปแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องอาสาวกแตกกันเป็นกลุ่มเป็นโคกเป็นไข้พระนุนก็ เมื่อได้ทราบว่าพระเจ้าปรินิพนธ์นอีกสามเดือนก็เข้าไปกราบทูลเรื่องนี้ว่าขอให้พระองค์ได้ตั้งพระเทระผู้ใหญ่รูปใดรูปหนึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์เนื่อเมื่อองค์ประนิพนธ์พอได้เห็นตัวอย่างว่าหลังจากการ ล, ล่มรับบดบั์เข้าไปศาสดาอื่นเนี่ยการแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นก็เกิดขึ้นแต่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระนุลก็วิตกกังวลเรื่องนี้ก็เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว่าขัดแต่พระองค์วิเฉลินเมื่ อ, อพวกเราทั้งหลายได้ทราบการที่จะจากโลกนี้ไปด้วยการพ้นิพานอีกสามเดือนของพระองค์เนี่ยขอให้พระองค์ได้ตั้งพระเทละผู้ใหญ่รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้สำเร็จการแทนบุทยาก็ตตัดว่าดูก่อนอ น, นุนว่าในตลอดสี่สิบห้าปีของเราตรัสทู้ที่เราได้ แสดงพระธรรมวินัยในที่ต่างๆพระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเรากระทำขดในการลงไปแห่งเรากระทำของค์ก็ไม่ได้ตั้งบอกองค์นั้นนะเป็นแทนเรามหากคสปคุณทยะมานามะไม่ไม่ได้ตั้งว่าพระธรรมวินัยใดที่เรากระทำขดตราใที่ต่างๆพระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเรา นี่คำว่าคําว่าพระธรรมวินัยเนี่ยมันกว้างครบอบคลุมทั้งหมดใช่ไหมที่ถ้าเราจะบีบเข้ามาให้ย่อให้สั้นที่สุดพระธรรมคืออะไรวินัยคืออะไรพระธรรมก็คือตัวปัญญาพระวินัยก็คือตัวสตินันตัวสติปัญญาใดที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์สติปัญญานั้นจะเป็นาศาสนาแทนเราถ้าว่าโดย ภาษาที่เข้าใจกันง่ายมนุษย์ทุกคนมีสติปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสติปัญญาตัวนี้มันยังไม่เป็นปรมัทธรรมนั่นเองเราก็มาสร้างสติปัญญาตัวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นปรมัตทแล้วเมื่อใดสติปัญญาในตัวเราได้ถูกแปลงมาเป็นปรมัาทนั่นหมายความวเรามีพระพุทธเจ้ามีาศาสดาของเราเองแล้วทีนี้จะทํายังไงที่จะแปลงตัวสติปัญญาที่เป็นตัวสมมุติให้เป็นปรมัาทให้ได้ ได้กล่าวไปเมื่อวานว่าความรู้สติปัญญาทางโลกทั้งหมดถ้าเป็นสมมุติอยู่เพราะอะไรเพราะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอันนี้จังทุกขังอนาตาัตดามันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็าหายไปเช่นตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเราจาอะไรได้ทุกเรื่องหรือเปล่าก็ไม่เพราะมันมันก็เสื่อมไปแตกดับหายไปทีนี้ก็จะนงแปลงตัวสติปัญญาเนี่มาเป็นประมัดด้วยการมาสร้าง ตัวรู้สึกตัวและสร้างสี่สัญญะขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ใหม่ทำให้มันมีกำลังเพื่อนเถอะทำให้มันมีกำลังนั่นก็คือตัวสร้างตัวรู้สิกตัวขึ้นมาที่เป็นปรมาตุข์ขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ลงไปอีกทีนึงในอรียบทต่างๆนะแล้วการเคลื่อนไหวต่างๆเราจะทำด้วยความจงใจแต่ความตั้งใจความจงใจในการกาหนดรู้นี้ต้องไม่เป็นการเพ่ง ต้องไม่เป็นการบังคับต้องไม่เป็นการอยากหรือต้องไม่เป็นการกดข่มตัวเองแต่เป็นการศึกษาเป็นการกำหนดรู้เป็นการเฝ้าดูเป็นการสังเกตเท่านั้นเองในการเฝ้าดูการศึกษาการสังเกตในอากับกิริยาที่เราเคยมีอยู่แล้วให้มันเป็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงภายใต้การเฝ้าดู เท่านั้นเองอันนี้คือหลักใหญ่ของการปฏิบัตินะฮะ น, นั้นเองในเบื้องต้นที่อโบราณอาจารย์ท่านรำมาก็พยายามที่จะอารมณหายใจเนี่ยมาเป็นหลักใหญ่ในการกาหนดรู้เป็นที่ตั้งของการสังเกตเป็นที่ตั้ ง, งการเฝ้าดูอืแต่ว่าในเมื่อการเวลาได้เปลี่ยนไปก็ปรากฏว่า โครงสร้างของมนุษย์เนี่ยอ่อนแอลงกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาท่านนั่งกรรมฐ า, านท่านสามารถนั่งทีได้สมชั่วโมงห้าชั่วโมงโดยที่ไม่กระดิกเลยเนี่ยแล้วก็ร่างกายของท่านก็คงที่เข้มแข็งแต่ดี๋ยีอย่าว่าแต่สมชั่วโมงห้าชั่วโมงแม้แต่ชั่วโมงเดียวเราก็นั่งยากแล้วแค่ห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่ในอริบบทเดิมได้เราเปลี่ยนอยู่ทุกๆนาที หรือทุกๆสามนาทีห้าวินาทีได้ซ้าไปเพราะโครงสร้างเราอ่อนแอลงเพราะเราไม่สามารถจะอยู่ในคงที่ในอิเดียบท อ, อื่นได้อันเดียวได้เพราะว่าโครงสร้างเราอ่อนการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของเราก็บ่อยขึ้นนั้นหมายถึงว่าอินซีเราอ่อนลงนั้นเราจึงเปลี่ยนจากการกําหนดรูลมหายใจมาเป็นอิเดียบทซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ายายของลมหายใจเพราะลมหายใจมันจะวิ่งอยู่ในอ สถานที่แคบแคบก็คือเข้าออกอแค่ปลายจมูกแนั้นอันนี้ซึ่งถือว่าคับแคบแล้วก็เบาบางเบามากแต่เมื่อลุองข็เทียนท่านได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้จนกระทั่งท่านเข้าถึงในจุดนี้ท่านก็นำเสนอใหม่ว่าไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้แต่มาใช้ในอิเดียบทใหญ่แทนแต่ลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว เพรา ะ, ะนั้นก็ผนวกลมหายใจเข้าไปในอิริบดใหญ่ใช่เลยนั่น ค, คือการใช้เยบทยืนเดินนั่งนอนนะเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูนะเวลาเรานั่งในอิริบทนั่งเองก็แยกออกมาหลายอย่างนั่งพับเพียบนั่งขูเขานั่งเหยียดขานั่งายสมาร์นั่งยองยองนั่งพับเพียบในรูปแบบต่างๆนีนี้ไอการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ย การสังเกตการเฝ้าดูเราก็จะเพิ่มพลังของสติสัมยาะมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเบื้องต้นที่สุดให้เฝ้าดูกันอธิบดีการนั่งการยืนการเดินแต่ก็ทั่งการนอนที่ในอธิบดียืนก็มีหลายหลแบบในเวลายืนแล้วไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆพอยืนปั๊บล้วก็เดินใช่ไมพอยืนปั๊บเราก็เดินไปทํานั่นทํานี่ไอการเดินจุดถึงไปสู่จุดหนึ่งเคลื่อนไหวขอการเดินจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ย เรากําหนดรู้ไหมนะเราเฝ้าดูเพการเดินของเราไหมตรงนี้ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในสมัยที่เรายังไม่ได้เจริญสติการเดินการเคลื่อนการลุกของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นสมมุติคือเป็นสัญชาตญาณการเคลื่อนไหวที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะซึ่งมันจะไม่มี พลังที่จะทำให้ตัวเฝ้าดูตัวนี้เข้มแข็งได้ทีนี้ต่อเมื่อเรามาศึกษาในจุดนี้นะว่าเราจะใช้ตัวสติสัญญาให้เพิ่มให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปเฝ้าดูตัวการเคลื่อนไหวของอิเดียบ ท, ที่เป็นไปโดยธรรมชาติของเราเนี่ยให้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีสติได้มากขึ้น แต่ว่ามันก็มีกรณีแวดล้อมที่ว่าสติสัญญะนี้เราจะเข้มแข็งไหมสติยอะของเราจะเข้มแข็งก็ตรงที่ว่าเราได้ฝึกฝนเอาใจใส่อยู่เป็นประจำให้ความสําคัญให้ความสําคัญว่าสติสัญญะนี้คือตัวแทนของพระศาธธสดาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของเราจะเป็นไปได้วยความอ่อนโยนโดยการศึกษาการเฝ้าดูการสังเกตและการกําหนดรู้อย่าง อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจน ด, ด้วยความเข้าใจด้วยตัวนี้ก็คือตัวสําคัญคือความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราจะเป็นการบังคับกดข่มตัวเองซึ่งจะทําให้เราตัวเองเกลิงเครียดแล้วก็ไม่สบายขึ้นไปอีกแต่พอไดาทำด้วยความเข้าใจเนี่อะไรจะทําด้วยความผ่อนคลายด้วยความอ่อนโยนด้วยการศึกษาด้วยการสังเกตเบาๆแล้วก็ทําต่อเนื่องไป เ, เรื่อยๆ อ, อันนี้คือลักษณะของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเองในอเดียบทนั่งเองก็มีหลายๆราีบท การจากการเปลี่ยนดีบทหนึ่งไปสู่ดีบทหนึ่งนั้นต้องมีการศึกษาเรียนรู้ว่าสมมติเรานั่งในท่า น, นี้พอสมควรทำไมเราจึงเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนต้องถามตัวเองก่อนทาไมเราจึงเปลี่ยนพราว่ารู้สึกไม่สบายอะไรไม่สบายกายไม่สบายหรือใจไม่สบายก็สำรวจเข้าไปอีกอันนี้คือการสังเกตเมืนะ่อกายไม่สบายเราทนได้ไหมทนได้ทนได้แค่ไหน นี่คือการตรวจสอบในการปฏิบัติในการภาคปฏิบัตินะดันั้นทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปตัดตอนไอ้ความคคยชินต่างๆที่มันพลิกป๊บไปเลยพลิกปั๊บไป เ, เราจะต้องไปตัดตอนตัวนั้นให้ได้นั่นคือการสังเกตนั้นก็ตัวขันติเข้ามาเพิ่มกำลั ง, งหมายความว่ามันจะมีการเมนเทนในอีเลโบดนได้ยาวขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแต่ละครั้งมีเหตุผลในการเปลี่ยน นี่คือการจากเจริญสติแบบที่มีปัญญานะทีนี้พอเห็นว่าในกายเนี่ยมันจะตรงมันจะบอกเราตรงๆเขาทนได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนเขาจะบอกเราตรงๆแต่ใจของเราไม่แน่นอนใจของเราเน่เปลี่ยนตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามันใจนั้นเป็นเป็นอำนาจของความอยากแต่กายนี่นเป็นไปได้อำนาจของธรรมชาติ อันนั้นจกระทั่งว่าเรารู้สึกว่าเออพอสมควรเราล่างกายบอกเออมันตึงเต็มที่เลยนะที้ก่อนที่จะเปลี่ยนให้เราจําความรู้สึกอันสุดท้ายของการเปลี่ยนให้ชัดตัว น, นี้เขาเรียกว่าทีละสัญญาคือการกําหนดรู้ให้มั่นคงในความรู้สึกอันสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนนะให้ชัดว่ามันเข้มแค่ไหนรู้สึกว่ามันอ่ามันตึงเข้มจำอาการให้ชัดพอจำอาการชัดเราเริ่ม เราเริ่มจะเปลี่ยนพอจะเริ่มเปลี่ยนปั๊บนะ่พอเริ่มเปลี่ยนปั๊บอาการที่เข้มเมื่อกี้มันมันจะมันจะคลายตัวเพราะอะไรจึงคลายตัวเพราะอาการที่มันเข้มอยู่เมื่อกี้นั้นเพราะอะไรเพราะเลือดลมที่เขาเคยหมุนไอซุคเคเละไปเนี่ยมันถูกสตั๊กถูกสตั๊กด้วยอิริบททับไว้ใช่ไหมเมื่อริบบทักไว้พอมีการเปลี่ยนปั๊บเขอยากการเปลี่ยนการกดทับพอเปลี่ยนปั๊บเลือดลมเดินพอเดินปั๊บเนี่ยไอตัวอาการเข้มมันคลาย เม่เข้มจัดพอคลายปั๊บมันมันจะเริ่มโล่งรุ่งรงเราก็เห็นอาการพอเปลี่ยนไปปั๊บเราก็เห็นอาการว่าความที่ตึงแน่นหนักเมื่อกี้คลายตัวไปแล้วมาสู่รี่อบทใหม่พอสื่อวาอะให้จําเบื้องต้นของในบทใหม่ให้ชัดว่ามันเบายัางไงสบายยังไงแล้วก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆพอกำหนดรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นความรู้สึกตัวนี้ ให้เข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้ น, นจนระดับหนึ่งโอ้มันเข้มแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ยอันนี้คือวิธีการศึกษาถ้าเราทำด้วยอาการอย่างนี้สติสัมยาของเราจะเข้มแข็งได้ไวนะถ้าการปฏิบัติไม่เข้มแข็งไม่ถี่ทุ่นขนาดนี้แล้วยากในการที่จะได้ผลเพราะเราจะเห็นว่านักปฏิบัติวิปัสสนานั้นมีโดยทั่วไปแต่ว่าน้อยคนมากจะได้ ได้ผลที่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะการศึกษาขบวนการขั้นตอนตรงนี้ไม่ไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วนเราทําไปด้วยความอยากว่ามันดีแต่ว่ามันดีอย่างไรเราไม่เคยศึกษาในรายละเอียดนะที่ถ้าพอท่านกําหนดนั่งไว้นี้สักห้านาทีเนีห้านาทีร่างกายทนไหวไหมเราก็าบดรู้ไปเลยในห้านาทีแล้วไม่ใช่ อ, อยู่เฉยๆแล้วก็ยกมือไปยกมือเคลื่อนไหวไปในการยกมือนี้เป็นการสั่งสมพลังของตัวสติตัวสมาธิจนกระทั่ง ประมาณห้านาทีร่างกายแล้วก็จะบอกถึงจุดนั้นว่ามันเข้มขึ้นอีกแล้วนะพอเข้มขึ้นจะเปลี่ยนแล้วก็จําอาการสุดท้ายของการที่จะเปลี่ยนอีกว่าสมมุติว่าเราขัดตรงไห น, นขัดที่ขาหรือเขาจต่มอาการนั้นให้ชัดอืในช่วงห้านาทีแล้ว ก, ก, ก็ก็ทำจุดนี้ไปเรื่อยๆทําการเคลื่อนไหวไปสบายๆแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆนะถ้าเรามีอุปท า, านเข้มเนี่ยไอความนั่งนิ่งๆของเราเหมือนกับการกดทับตัวเอง แเราไอสิ่งที่มันร่างกายที่มันเจ็บปวดนิดน้อย ม, มันเจ็บเหมือนดูเจ็บปวดมากเลยเพราะอะเพราะอุปทานามันสูงอุปทานสูงก็จะทําให้อาการท้องการเนี่ยมันเข้มขึ้นโดยเหมือนเราเติมน้ําปลาเราไปในน้ําเติมเกลือไปน้ํามันเข้มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเข้าไปสังเกตเฉยๆอย่าอย่าไปมีอุปทานนะทีนี้พอสมมติเรากำหนดห้านาทีครบห้านาทีแล้วก็ดูอาการอันสุดท้ายก็เหมือนว่าเ มันปวดตรงนี้ตรงไห น, นบ้างปวดหัว เ, เ ข, ข่าโคนขากระปวดให้ดีหน้าขาเท้าที่อยู่กับพื้นแต่ว่าอย่าไปจ้องตรงนั้นให้เข้มเกินไปถ้าจ้องตรงนั้นเข้มเกินไปมันจะเกิดการเกร็งนะการเกร็งถล้าก็จำอาการนั้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปไอการเปลี่ยนอย่างที่ว่านี่คือคลายไปตามลำดับจนเห็นอาการสุดท้ายของมันก็เปลี่ยนไปอีก สมมติเราเปลี่ยเราก็จะเห็นอาการอออาการที่เข้มขึ้นที่มันคลายไปอย่างไรแล้วก็ไปสู่อาการใหม่แล้วก็นั่งท่าใหม่ต่ออีกอาการปวดๆมันก็คลายไปอีกอันนี้คือท่าทีของการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ศึกษาละเอียดแบบนี้นะปฏิบัติไปเถอะร้อยวันพันปีมันมันไม่ไปไหนหรอกเพราะอะไรก็เหมือนกับหลักของวิทยาศาสตร์ถ้าการพี่สูดกัน อะไรต่างผิดขั้นตอนนี้เดียวเนี่ยมันก็ไปเจ๊คําตอบมันจะไม่ออกมาตามนั้นเพราะฉะนั้นต้องทําตามขั้นตอนยิบเลยแล้วคําตอบมันจะออกมาชัดเจนแ น, น่สูตรของวิทยาศาสตร์ที่เราท่องๆๆกันเนี่ยว่าอันนี้ประสงค์ว่า น, นี่เป็นอันนี้แต่ในแง่ของการเข้าห้องแลบการพิสูจน์ก็ต้องทํำขบวนการขั้นตอนได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดมันก็จะออกมาตามนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่ทำๆไปเห่เดียวมันดีเองไม่ได้นะ เพราะยิ่งคําสอนของพระเจ้ายิ่งละเอียดกว่า น, นั้นอีกดังนั้นเองอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเพราะการพิสูจน์ตามปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่าเนี้ยไม่ไม่ชัดเจนก็ทําให้ผลที่ออกมาไม่ชัดเจนเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราจะไปโทษว่าคําสอนของพระเจ้าไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องอันนี้ไม่ได้แต่ผู้รู้ผู้เรียนผู้ปฏิบัติไม่ละเอียดเองในการชัดเจนเหล่านี้นะ อันนี้ในส่วนอิบทนะอิบทเดินเข้เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนต้องตรวจสอบไปเป็นขั้นตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้เข้าปฏิบัติในลิธเนี่ยอาการต่างๆที่เคยเคล่องว่วงไวพูดป้าดเนี่ยมันก็จะลดดาวลงแล้เป็นไปด้วยควาเจตนาแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามลําดับตามลาดับตามลาดับแล้วให้สมูทแล้วก็ มันใช้คำว่าพอใจในการศึกษาพอใจศึกษาในจุดนั้นด้วยความตั้งใจเอาใจใส่แต่ถ้าหาความเข้าใจและศรัทธาตรงนี้ไม่เพียงพอมันจะเป็นการกดทับบังคับตัวเองเราจะเกิดอาการเคร่งเครียดแล้วปวดเนื้อปว ด, ปวดตัวมันก็จะเป็นโทษในการปฏิบัติเยเราจะเห็นว่าเรื่องความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นท่านจึงกําหนดเอาไว้ว่าผู้ที่จะปฏิบัตินี้ต้องมี คุณสมบัติห้าประการวันหนึ่งต้องมีศรัทธาคือพอใจที่จะศึกษาพอใจที่จะทำตามสองมีความขยันที่จะรู้ขยันที่จะเห็นขยันที่จะเฝ้าดูขยันที่จะสังเกตสามในการเฝ้าดูสังเกตด้วยอำนาจของความรู้สึกตัวเท่านั้นรู้สึกที่ตัวนะรู้สึกที่กายชัดๆอันที่สี่มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าตั้งใจทำนิดนึหน่อยก็เลิก ไปพอนึกขึ้นได้ก็ทำใหม่อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเฝ้าดูไปเรื่อยๆหนักยังไงเบายัางไรสื่อไปตั้งแต่ตื่นนอนจนไปหลับนะแล้วอันที่ห้าก็คือมีการสังเกตรู้เท่าทันว่าอะไรกำลังเป็นไปทั้งภายนอกภายในคนจะปรับตัวอย่างไรคนจะเข้าใจอย่างไรคนจะแก้ไขอย่างไร ทั้งกายทั้งใจสอดคล้องกันเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อเกินไปในขณะเดียวกันก็ไม่หลวมเกินไปแต่ว่าใช้การสังเกตความพอเหมาะพอดีของมันนี่คุณสมบัติห้าประการเขนเรียกว่าสติสทาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งชว่าอินสี่ห้าหรือพละห้าถ้าทำได้ตามนี้เขาเรื่อมันจะเกิดพลังขึ้นมาทันทีพลังของสติสติ เขาเรียกพละห้า <C> อินสี่ห้าในองค์ธรรมันนี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เมสิกที่สุดของผู้ปฏิบัติเบื้องต้นถ้าขาดคุณสมบัติห้าประการนี้ก็ผลที่ออกมาก็จะไม่ครบถ้วนขึ้นหนึ่งมีความพอใจที่จะทำพอใจที่ศึกษาพอใจที่สังเกตรักใร้พอใจเขาเรียกว่าฉันทะก็ได้อันที่สองมีการขยันกล้าหาญในการที่จะทำหือหาศึกษาทาอย่างเรียกว่า มีความาขยันหมั่นเพียรนันแหละอันที่สามก็คือความเรีลึกรู้ว่ากําลังทําอะไรกับที่ไหนบทนี้เป็นไงละเอียดที่ทวนแค่ไหนคอยสํารวจตรวจสอบอันที่สี่ตั้งใจอันที่ห้าก็คือรอบรู้รอบคอบและเหมาะสมในการปฏิบัติถ้าหากกระทาอย่างนี้มันก็จะผลก็จะไวขึ้นนะดันั้นพระพุทธเจ้าท่านกําหนดหลักสูตรเอาไว้ว่าอย่างช้าที่สุด ไม่เกินเจ็ดปีอย่างไวที่สุดไม่เกินเจ็ดวันตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจ็ดปีถ้าตามหลักสติปัฏฐานสูตรเนี่ยต้องเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองท่านสรุปเอาไว้ในช่วงท้ายนะว่าเป็นผลที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจที้ชัดเจนแล้วอันนี้เป็นหลักเ <c oughs> บื้องต้นที่สุดที่ที่เรา <c oughs> ทําแล้วถ้าเราทําจนชำนิชนานาญทั้งหอยู่นั้นมันก็จะติดเป็น นิสัยใหม่เรานะเป็นนิสัยใหม่ของเราเมื่อเราเลยเมื่อก่อนเราเคยทำอะไรด้วยความหุนหันพันแลน่นความเคยชินแต่พอพอเราจับหลักอันนี้ได้จิตของเราเริ่มเริ่มมั่นคงเริ่มผ่อนคลายเริ่มมีความสุขแล้วเราก็พอใจในการที่จะใช้ชีวิตแบบมีสติในทุกขั้นตอนเพราะนั้นเป็นอ่านะเรียกว่าเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคือการมีสติสมิญญะอ่นะ อันนี้คือหลักเบื้องต้นว่าเราจะทำอยาไรให้เรียบทสีของเรายืนเดินนั่ง น, นอนเต็มไปด้วยความอาเจตนาและตั้งใจนะและรวมไปถึงการพูดและการคิดด้วยถ้านอกจากลฤทิ์เนี่ยเราอาจจะพูดคุยกันเรื่องอะไรต่างๆก็ได้คุยกันเมื่ อ, อไหร่ก็ได้แต่พอเข้าฤทิ์ปั๊บเนี่ยการพูดการคุยก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการจะพูดจะคุยแต่ละครั้งก็ต้องกําหนดรู้ เรื่องนี้เหมาะหรือไม่เหมาะเรื่องนี้สมควรหรือไม่ควรเรื่องนี้ควรจะพูดมากหรือพูดน้อยคเรื่องนี้ควรจะทําก็จะมีการตรวจสอบก่อนอันนี้คือการใช้ท่าทีในการใช้ในกายวาจาใจท่าทีในการใช้กายก็คือตามรีบทเราก็มีสติในการตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงท่าทีในการใช้วาจาก็คือตรวจสอบในความเหมาะสมและจําเป็นท่าทีในการใช้ความคิดก็เฝ้าดูว่า ความคิดที่ก่อตัวขึ้นไปแต่ละขั้นในใจของเราเนี่ยมีความจําเป็นแค่ไหนแล้วเอาตัวสติเข้าไปกำหนดรู้ทุกครั้งมีมีการคิดเกิดขึ้นนะเพราะความคิดไม่ใช่จูๆ่ๆมันจะปุ๊บขึ้นมาไม่ใช่มันจะมีการก่อตัวมีการดํำลิฮะท่านใช้ก็มีการดํำลิพอ ก, การดำํรรดำลิขึ้นมาความคิดก็เริ่มตั้งตั้งตัวพอดํำลิปับแล้วก็สติเข้าไปกำหนดรู้ปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันก็ใช้ความคิดนั้นไปในทางที่เป็นกุศล กุศลนะก็เกิดขึ้นมาดังนั้นเอง <c oughs> ในการปฏิบัติจึงมีความหมายอยู่ที่ความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจในการปฏิบัติของเราก็จะค่อนข้างจะยากหน่อยนะแต่เข้าใจแล้วมันจะมีความสุขตั้งแต่ต้นเลยมีอิสระนะมีอิสระในการทํามีิสระในการศึกษานะเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ในดีบท ได้อีโบทหนึง่งได้ตัวแต่ว่าความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนจากอีโบทหนึ่งไปสู่อีโบทหนึง่งนั้นให้เต็มไปได้วยความรู้สึกตัวเท่านั้นเองรูสึกตัวแล้วเจตนานะคำว่าอิสระนี้มันหมายถึงว่าเปลี่ยนไปตามความเคยชินเขาว่าอิสระหมายถึงอิสระในการกําบดรู้อิสระในการเปลี่ยนอิสระในการศึกษาอิสระในการเฝ้าดูโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึง ระเบียบแบบแผนหรือสูตรใดๆแต่นึกถือว่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเป็นความหมายของสติสมิยะอถูกต้องไหมแน่นอนไหมเนี่ยก็เลื่ถึงอยู่นั้นแล้ค่อยทําไปแต่เมื่อไรทําไปมันเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถามทันทีเหมือนกันหมาความถามผู้ที่มีประสบการณ์เอ๊ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือตัวหนึ่งที่เราจะาปรับได้ไวขึ้นแต่ในกรณีที่เราปฏิบัติไปแล้วเราทําไป เราเกิดสงสัยเราไปคิดเอาเองเกิดไม่แน่ใจเราไปคิดเอาเองอันนี้ก็จะเป็นผลที่ทําให้เราเสียเวลาแต่ดีที่สุดคือซักถามอันนี้ในลิชิกก็จะมีพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์คอยเดินเป็นเพื่อนด้วยกัเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเพราะทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปมีความหมายมากถ้าเราภัยแล้วทําไปด้วยความ เ พ, พิ่พพพพนเพลินแล้วผ่านผ่านไปโดยที่เราไม่เห็นกระบวนการขั้ น, นตอนขอการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนี่ยตัวนี้จะทําให้เราเสียเวลาได้นะฮะแต่ในการปฏิบัติเี่มันก็จะมีประสักในสิ่งไห น, น, นก็ตามที่ดีเนี่ยสิ่งนั้นต้องมีประสักเพราะไม่มีประสรคก็เรียกว่าไม่มีกําลังนะเพราะฉะนั้นดูปุปสรคเหมือนกับเราเดินขึ้นขเขาเนี่ยเราจะไม่ออกกําลังเลยไม่ได้หรือมันเราจะเดินทวนกระแสน้ําไม่ออกกําลังเลยก็ไม่ได้ ไอ้ตัวที่ได้ออกกําลังต่อสู้กับกระแสเนี่ยเขาเรียกอุปสรรคก็ได้เป็นกําลังก็ได้แต่ถ้าเราต่อสู้ยังมีเทคนิควิธีการมันก็กลายเป็นกําลังแต่ถ้าต่อสู้ยังไม่มีเทคนิคไม่มีวิธีการมันกลายเป็นอุปสรรคเพราะนั้นอุปสรรคของมันก็คืออะไรที่แทนกําหนดไว้ว่าเบื้องแรกที่สุดอุปสรรคของผู้ปฏิบัติคือนีวันห้าอันที่หนึ่งก็คือใช้ใช้กำมฉันท์คือความทําอะไรตามอยาก อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะพูดอะไรคุณอันนี้เป็นอุปสรรคเบื้องต้นนะนะพอเราทำตามอยากปับ๊บมันก็ติดสบายเพราะติดสบายก็ขี้เกียจเพราะนั้นะถ้าจะว่าไปอุปสรรคเบื้องแรกที่สุดก็คือความขี้เกียจเหตุสุดท้ายของมันนะเหตุต้นก็คือความความอยากอยากสบายอยากสนุกอยากทำอะไรมันก็ทำให้อ่าแต่ในกรณีที่อีกส่วนหนึ่งบอกว่า ทําตามอยากไม่ได้นะเพราะมันจะขาดสติแล้วก็เริ่มมีสติในการทําพอพอเริ่มมีสติในการที่จะแทนที่เราจะเคลื่อนไหว ป, ปูดเลยเนี่ยมันทําไม่ได้ตามนั้นมันจะขาดสติใช่ไหแล้วก็เริ่มเคลืนไหวอย่างมีจังหวะซึ่งมันเป็นอัเกสนกับนิสัยเดิมของเรานะนิสัยเดิมของเราจะทำํำเราทำปรูดไปเลยเออนั้นไม่ได้มันขาดสติเร า, าก็ทําตามํามๆ ม, ม, ม, มันก็เหมือนว่าเรา บังคับตัวเองแต่ไม่ใช่แต่ว่านั่นคือการศึกษานะดังนั้นตัวอุปสรรคตรงนั้นมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ทันทีถ้าหากว่าเราใช้มันอย่างเข้าใจมันจะกลายเป็นอุปกรณ์แต่ถ้าหากว่าเราใช้ตัวอุปสรรคคือความขี้เกียจความอยากความเคยชินนี้ไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นปัญหาทาให้เราต้องรู้สึกอึดอัดนะอึดอัดไม่ทาอะไรไม่ได้ตามอยาก มีส่งอึอดอัดขึ้นมาทันทีาการปฏิบัติของเราว่าจะติดขัดขัดเครื่องขัดห้องคุนข้องในใจขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเขสังเกตอันนั้นก็จะก่อให้ เ, เกิดนิวรณ์ตัวที่สองเรียกว่าอึดอัดขัดเครืองใช้คําว่าปฏิฆะหรืออยาปาทะเป็นนิวรณ์ตัวที่สองคือเราทําตามอยากไม่ได้มันก็เกิดอึดอัดขัดเครื่องพอเกิดอึดอัดขัดเครื่องขึ้นมามนก็ทําให้จิตใจขุ่น ม, มัวทีนี้ความอึดอัดขัดเครืองไม่ได้ถูกตอบสนองไม่ถูกแก้ไข ก็ทําให้จิตนี่เกิดลา้าจิตไม่สู้จิตเฉยก็อุปสรรคตัวที่สามก็ตามมานั้นคือความไม่กระปรี่กระเป๋าความงงงเงาห่อนอนความเบื่อเบลอตามมานะอุปสรรคตัวที่สามพอมันหายจากเบื่อจากเบลอมันก็ตรงกระขามเลยคือฟุง้งที่เด็คิดเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไ ป, ไ, ปไปเรื่องไปคิดไปเรื่อยๆ เพราะว่าจิตของเราเพอมันกดสะกดมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ฟุง้งทีนี้พอมันฟุ้งขึ้นมาก็เกิดอุบัติศตัวที่4ท่านใช้เขาอุดทัดจกักอุบัติศตัวที่4คือความฟุ้งซ่านไปแล้วอุบัติศตัวที่4ี่นี่เราก็ขอให้เกิดอุบัริศตัวที่ห้าคือความสงสัยว่าเอ๊ใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าเอ๊ะทำไปทําไมทําแล้วได้อะไรมันจะเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมาทั้งห้านี้เป็นเบสิคเขาเรียกเป็นฮินด์แลน เบสิกหินแดนที่เป็นอุปสรรคที่เป็นพื้นฐานที่สุดของนักปฏิบัติแต่ที่ให้เราศึกษาให้เรารู้ไว้ก่อนเผื่อว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อใช่อันนี้เป็นอุปสรรคจาเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนอุ ป, อ ป, อปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ให้ได้ก็ด้การเริ่มต้นใหม่ตั้งสติใหม่ตั้งสติไปกําหนดรู้ไปนะอันนี้คื อ, อวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นในการต่อสู้อุปสรรคการปฏิบัติที่จะได้ผลดีคือเริ่มต้นใหม่เสมอ เริ่มต้นใหม่เสมอเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมันไม่มีเก่าไม่มีใหม่แต่การเริ่มต้นเนี่ยเป็นการตั้งขึ้นมาใหม่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็ดับไปแล้วเราดูแบบที่ว่าทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาประสบการณ์เก่าๆห้องเรามาว่าเออเราทําอย่างนี้มาอย่างนี้จะทําอีกอันนั้นเป็นความทรงจําำเป็นความทรงจําแล้วก็เป็น ตัวอุปทานขึ้นมาในจุดนั้นก็จะทําให้เราปฏิบัติได้ยากแต่เริ่มต้นใหม่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งไอ้มาเองมีประสบการณ์มายี่สบสาสิบปีนั้นเคล็ดลับของออกมาคือเหมือนทําตนเหมือนผู้ปฏิบัติใหม่อยู่เสมอจะง่ายพอแต่อุปสรรคมันก็คือทําให้เร า, าถ้าหากว่าเราไปคิดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเก่ามีประสบการณ์มาม า, มากรู้มามากตัวนี้จะเป็นอุปสรรคมากเลยเพราะมันจะเกิดอัตราขึ้นมากัน้นไอ้ตัวเริ่มต้นของเราทันที ทำเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยนะเราเพิ่งเป็นผู้มาใหม่เพิ่งปฏิบัติใหม่ตรงนี้จะมีผลต่อการปฏิบัติได้ดีมากนะแล้วก็โลิกประสบการณ์หรือ ว, ว่าความเข้าใจหรืออะไรความจำเก่าๆทิ้งไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนเราไม่รู้อะไ ร, ะไรทุกครั้งทราทานี้ก็จะง่ายขึ้นนะทาเหมือนการฝึกใหม่เลยว่างั้นอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้ไวนะ ท่านทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการปฏิบัติบทแต่ละครั้งนั้นให้พยายามอยู่ในอิบุตร น, นานหน่อยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นอาการเปลี่ยนแปลงความเข้มชัดของทุ ก, กเวทนาตดูนั้นให้ชัดเพื่อเห็นดูนั้นชัดก็แล้เห็นทุกชัดอ่ามันจะเข้าสู่องค์อริยศาส์ทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมก็ต้องรู้ให้ชัดน่ากําหนดรู้แล้วจนกระทั่งว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องบําบัด เรากำหนดรู้แต่ว่าก่อนที่จะบำบัดมันต้องเห็นกระบวนการขั้นตอนว่าทำไมต้องบำบัดก็เห็นความเข้มชัดของทุกขเวทนาเราล่มเรียนรู้ทุกขเวทนาพอเข้มชัดขนาดแล้วถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนจิตจะเป็นไงจิตเหมือนล้วถูกบังคับก็ทำให้เราจิตนี่ไม่สบาย ทีนการจะเปลี่ยนแปลงก็เอาสติสัญญาเข้าไปใช้เลยตรงนี้การจะเปลี่ยนแปลงเข้าไปตรวจสอบสติคือส่องให้เห็นอาการนักเข้มระดับนี้เราทนได้แค่นี้ทีนี้จะทำไงไอความเข้ม น, นี้ลดลงก็เอาสัญญาเข้าไปฉายลงไปนั้นก็คือมีการอาสอบคอกับการจะทําทางกายแเราก็เปลี่ยนอเงี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนในการเปลี่ยนแล้วก็จะเห็นเห็นการกระจายของทุกอวทนาที่เราทับเอาไว้นี่กระจายแตกออกไปแล้วก็บอลแล้วก็เปลี่ยนไปสู่เอวบหมาอีก อันก็หายไปมันก็เข้าไปสู่หลักอันนี้อยางทุกของอนัตต า, าทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ให้ถูกตรงเนี่ยเราจะเห็นสภาวะธรรมปรากฏชัดในทุกขณะนะแล้วจิตของเราก็จะเข้าไปจำอาการเหล่านี้ไปคอนเล็กหรือไปสังสมความรู้จดจำความรู้เหล่านี้ซึ่งมันเป็นปรมัติต ตัวปรมามัดก็เริ่มทุ่นจากการได้รู้การสั่งสมประสบการณ์ทางจิตเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจิตของเรามีประสบการณ์ในการนี้มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะจิตของเราที่มันเคยวิ่งออกเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับเข้ามาเพื่อมาศึกษาอาการเหล่านี้ให้ชัดจิตของเราก็จะเข้าสู่ในปัจจุบันด้วยอัตโนมัติของมันแต่ในกรณีที่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจใจะมาศึกษากำหนดรู้สิ่งเหล่านี้จิตของเรามันก็จะเด้งออกไปข้างนอกได้ง่ายเพราะมันไม่มีตัวศึกษา เพราะความแยบค่ายเราไม่พอตรงนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือความแยบคายในการสังเกตความแยบขายในการเฝ้าดูความถี่ทวนในการกําหนดรู้การแม่นยําในการสังเกตว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเข้าไปสังเกตเพระเาะฉะนั้นในช่วงที่เราเข้าฤทธิ์เนี่ยเราจึงลดระดับของการเคลื่อนไหวจากรวดเร็วว่วองไวเคยชินนี่ลงมาเป็นความเนิบช้าและนุ่มนวลแล้วก็หอยสังเกต โดยที่มีการเกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกน้อยที่สุดเพราะนั้นเวลาเข้าสู่ภาพปฏิบัติหรืออยู่ร่วมในสถานที่เนี่ยเราจะมีการพูดกันน้อยเพืเ่อจะรักษาการฟัดูของเราให้คงชัดเรื่องที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่พูดถึงเรื่องที่ไม่เป็นก็พูดกันเบาแน้อยอันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นการศึกษาที่สูงขึ้นอ่ะนะนนี้คือสิ่งใหม่ที่เราต้องศึกษาแม้แต่ในทบทอื่นนะ ยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันคูเหยียดเคลื่อนไหวหยิบจยับจั บ, จ บ, จบฉวยทุกอิบทอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนว่าจะมีสติสมญยะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าสมิยะเข้มแข็ ง, ขงพอก็จะครอบคลุมไปสู่อิบทต่างๆได้มากขึ้นในอิบทย่อยนะตลอดถึงการกินการดื่มการเคี้ยวการลิมเวลายส่วนใน สัมปชัญญะวันแรกใช่ไหมในญี่ปุ่นเรียกสัมปชัญญะปปะพะนะที่ท่านสวดอันแรกที่ว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชาญญาการีโหติเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวทุ่มพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าอภิกันเตแต่บางครั้งเราเดินการก้าวไปข้างหน้าอย่เดียวมันเบือ่อเราก็เดินกลับมาข้างหลังถอยหลังว่าง เดินถอยหลังมื่งมี่เขาเรียกวปฏิกันเตถ้าเดินก้าวข้างหน้าเรียกอาพิกันเตมีความรู้สึกตัวทร้อมในการก้าวไปข้างหน้าปฏิกันเตมีความรู้สึกตัวพร้อมในการถอยหลังที่เราปฏิบัติคืออยู่ในบทปฏิบัติอยู่นะต่อมาทั้งว่าอาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชาญะกาลิโหติเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวพร้อมในการแลในการเหลวในการเอี้ยวตัวมีความรู้สึกตัวก่อนทําความรู้สึกตัวก่อน ก้าวไปข้างหนา้าคือหมายความมีความจงใจนิดนึงอ่าคุณดูดดเลียวซ้ายไหลขวานะ่ยแล้วต่อมาท่านใช้คาว่าสำมินชิเตปาสาลิเตสัมประชานาการีหติเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้การเหยียดอวัยวะกมายิการสร้างจังหวะยกมือเนะีการคู่เข้าการเหยียดออกการคู่เข้ามา การเหยียดออกไปสามินชิตเตปาสสะิเตพราะนั้นถ้าพอเราไปเจอใครบอกไอ้คำปฏิบัติแบบนี้มันไม่มีในพระไตรปิฎกนี่นาเขาก็บอกชี้เขานี่ไงที่เราสวดสามินชิตเตปาสาะิเตสัมประชานิกาเลยมาในพระไตรปิฎกก็คือการใช้อวัยวะคูเข้าเหยียดออกแต่เราไม่ได้บอกว่าสร้างจังหวะแต่เรามาทําเป็นจังหวะไอ้การคูเข้าเหยียดออกแบบไม่มีจังหวะมันก็ทําให้กันเดินของทิศทางของจิตยังไม่แน่นอนแต่พอเรา กำหนดรู้เข้าเหยียดออกมีทิทางที่แน่นอนก็ทำให้จิตของเรามีทิทางเดินที่แน่นอนก็ทำให้ ส, สติชำยาเนี่ยมีความมั่นคงและหนักแน่นได้ไวนะแล้วก็ข้อต่อมาท่านบอกว่ า, าสังคาติปัตะจิวละทานเนสัมปชันนกาลิโหติเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วควั้งถ้าเป็นนักบวชก็ว่ า, ารู้สึกตัวในการทรงสังคาติบาจีวร นะฮถ้าจะเป็นชาวบ้านก็เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแต่งตัวใส่เสื้อใส่ผ้าเนี่ยจะหยิบยังไงจะใส่ยังไงไม่ใช่กระวุดกระวาดอย่างที่เราเคยนะจะหยิบขึ้นมาแล้วใส่เลยใส่แขนไหนเข้าไปก่อนสวมเข้ามาแล้วปิดกระดุมอย่างไรใส่กางเกงใส่ผ้าก็กำหนดรู้จน้ํำดับนี่เขาเรียกว่าจีวระสังขติปตะจิวระาลเนสัมปชันะการิโหติ อันต่อไปว่าอุจจาราปัสสาวะกัมเมสัมบัญชาณากาลีโหติเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกดูดความในการถายอุจจาราปัสสาวะใช่ไหมสมมติเราจะไปเข้าห้องน้ําเนี่ยมันมีทรายบอกว่าเราจะไปน้ําว่าปวดหนักหรือปวดเบาใช่ไหมเราก็เริ่มกําหนูรู้ตรงนั้นแล้วอ๋อมันปวดหนักปวดหนักมีอาการอย่างไรก็เริ่มต้นตั้งแต่มูฟตัวเองตามลาดับก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปอย่างรู้สึกตัว พอไปถึงหน้าห้องน้ําปั๊บมือไหนยื่นออกไปก่อนในการที่จะไปจับประตูแล้วดึงมาหนักเบาอย่างไรแล้วผลักตัวเข้าไปในห้องน้ําอย่างไรแล้วจับผ้าจับเชืออย่างไรก่อนที่เราจะนั่งลงไปแล้วก็ดูประจาลําดับแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อมีการทำํำไปตามลําดับขึ้นมาจนมาถึงจุดเดิมที่เราลูกไปเมื่อกี้เห็นขบวนการขั้นตอนงู่ง มี่เขาเรียกว่าจารประสาวกเมสัมบชณะกาลีโหติต่อมากับอศิเตชายิเตสายิเตสัมบชนะันมีความรู้สึกตัวทุพพร้อมในการเคี้ยวการลิ้มการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้น การลุกการนั่งการนิ่งการพูดเนี่ยใช่ไหมะเอียดไปหมดในในส่วนของสัมพันญยาประภาเขาเรียกอีริบทย่อยซึ่งเราจะเห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้มั น, มนเป็นการศึกษาถ้าเราไม่ทําด้วยการศึกษานะไปตั้งใจทำนะเราจะเครียดมากเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นมันตรงกันข้ามกับชีวิตเดิมของเราอย่างชื่นเชิงอ่ะใช่ไหมชีวิตเดิมของเราก็คือทําไปตามความเคยชินแต่พอมาทําตามบท ปฏิบัตินี้เราจะเครียดแต่พอเราตั้งใจว่าจะศึกษาเรียนรู้ไปทีละนิดแล่นิดแล่นิดแล้วก็เพิ่มความเข้มของสติสัมยาเข้าไปลงในอาการเหล่านั้นมันก็จะเกิดความสนุกเป็นอิสระแล้วก็มันก็จะเพิ่มความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้เองนะที่ว่าการปฏิบัติที่มันจะได้ผลเริ่มต้นด้วยการรักในการศึกษาตอนนั้นเวลาเราสวดนะฉันใช้ก็สิกคติสิกคติตลอดเวลาเราสวดในหมดว่าด้วยกายานุปัสนานะ ที่ลงท้ายกับสิกขิตขึ้นมาเรามีการศึกษาว่าผูนะ้มีปกติศึกษาว่าทํานี้ทํานี้เราไม่ได้ทําว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทงํานี้ไม่ใช่นะอันนั้นเราจะเกิดการกลึกงการเครียดกันตึงขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันเป็นอุปท า, านแต่ทําด้วยการศึกษาได้เรียนรู้ด้วยความทะนุถนอมด้วยความรักด้วยความสังเกตด้วยการอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มันเป็นอย่างน่าจะเป็นอย่า ง, ง น, า น, า น, นี้เนาะเนี่ยคคล้ายเป็นกัน ศึกษาเป็นการสังเกตการอยากรู้อยากเห็นในสิ่งนั้นแล้วก็ทําลงไปได้วยความถูกต้องตรงนี้เ้าเรียกเป็นวิทยาศาสตร์ทางนาธรร ม, มานะเป็นเป็นเทียวทายนะฮนะนะเป็นเทียวทายซึ่งตัวนี้แหละที่พุทธเจ้าทั้งคนพบแล้วก็นํามาพัฒนาเป็นการปฏิบัติพัฒนาจากสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวปรมาิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทําได้แต่ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่องค์ของการปฏิบัติในเรื่องของอินรีห้าพระหา้าและอิทิบาสี 4. นะเพราะฉะนั้นในหมวดของสติปัฏฐานในหมวดนี้ถึงมีหลักอยู่สาสิบเจ็ดประการที่ว่าสติปัฏฐาน 4, สี่ส ม, มปทานสี่อินทิบาสี 4, อินซีห้าพระหา้าพุทธชงจิตอมมักหรืองค์ดเนี่สามสิบเประการเป็นหลักใอการเข้าไปบรรลุธรรมโดยเฉพาะไม่ได้ต้อง ถึงแป0หมืนสี่พันะแค่สามีเจดประการเนี่ยนะเริ่มต้น้วยสติปัญสีนี่แหละนะเพราะนั้นในช่วงเช้านะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องสติปัญสีโดยโดยรละเอียดนิดหนึ่งว่าด้วยเรื่องของอิยาบทว่าด้วยเรื่องของกายานุปัสนากายกายานุปัสนาดูสักให้ดีเขาว่าอนุปัสนาแปลว่าตามดูตามดูกายนะ กายนุาแปลว่าการตามดูอนุปัสนาแปลว่าตามดูตามดูมันตลอดตามดูว่ากายนี้ที่มันเคลื่อนไหวได้เพราะใครเพราะใจทีนี้เราจะไปตามดูใจเลย ม, มันละเอียดผู้บัญชาการใหญ่เนี่ยคือใจมันละเอียดใช่มเราตามดูไม่ทันเราก็ไปตามดูกายเหมือนกับเราคุณหมอเคยไปตกเบ็ดไหมตกปลาใตปลาเราดูที่ไหนว่าปลามันกินได้ไม่กิน ดูที่ทุ่นมันใช่ไหมถ้าเราไปดูตัวปลาปามันจะกินหรือม่กินเราเห็นไหมไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นจิตของเราเหมือนปลาแต่ว่าทุนเบ็ดน่ะเหมือนกายเราดูที่กายว่าปลานี้กินติดหรือไม่ติดมันจะรู้โดยอัตโนมัติของมันใช่ไหมมันรู้ด้วยนะตอนนี้ปลามันกําลังต่อเท่านั้นยังไม่ติดใช่ไหมจะแต่พอกินแล้วมันติดมันจะรู้เลย ก า, ายของเราเหมือนกันที่จะรู้ว่ากายนี้เป็นไงใจเป็นไงก็ดูที D ่ทุนคือกายนี huh. ้เป็นทุนเป็นทุ่นของเบ็ดกายเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็ดูที่ทุ่นตรงนี้พอดูที่ทุ่นเราก็ดูอาการของจิตเหมือนกับเราดูที่ทุ่นนี่รู้อาการของปลาเนี่ยกำลังกินกําลังตอดกําลังติดหรือไม่ติดเนี่ยเหมือนกันนะเราก็มาดูที่กายนี้เป็นทุนกายมีเคลื่อนไหวแบบนี้จิตหมายความว่าไงจิตกําลังไปถึงไหนเนี่ยมันจะมันจะสัมพันธ์กันลักษณะอย่างนี้เอินพล เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกับเรานั่งตกปลา <c oughs> การปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทําใจกันนะนั้นมันไม่สนุกนะนั่งตกปลานี่เราคอนเสนเทนมากเลยใช่ไหมคอนเสนเทนดูอแต่ว่ามันไม่ได้มันก็เป็นตุ่มการข้ามการปฏิบัติเพราะมันเป็นคอนเสนเทนของอะไรของความอยากใช่ไหมมันเป็นคอนเสนเทนของความโลภในการที่จะได้ชีวิตเขาเนี่ยเราก็ตั้งใจเต็มที่เลยสนุกนะ แต่ที่เรามาทำนี้เราเราดูการเนี่ยเราคอนเซนทร์เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นใจนะเพื่อจะได้ใจกลับคืนมานะทุกวันนี้ใจมันก็ท่องเที่ยวไปเหมือนกับปลาในท่องเที่ยวไปแม่น้ํำมาใช่ไหมไอการที่จะเอาเขามาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้เหยื่อใช้เบ็ดเหยื่อก็คืออะไรเหยื่อที่จิตของเราจะเข้ามาตอดกับไอตัวรู้สึกก็คือตัวสติสัมยาเนี่ยค่อยเป็นส่วนคอยดึงเข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอันพลน่าศึกษามากแล้วถ้าหากว่าใครเข้าใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันจะไปได้ไวโดยขบวนการเหล่าเนี้ยเราไม่ต้องคูดพูดถึงว่าละกิเลสละทุกไม่ต้องพูดถึงอย่างนีแต่เราทําตามขบวนการเหล่านี้กิเลสกระทุกมันมันมันหมดไปเองมันเป็นเดออัตโนมัติแต่เพียงแต่ว่าเราทํำคมขบวนการเหล่าเนี้ยอประสบการณ์ของจิตมันเกิดขึ้นเองทุกเมื่ออยากจะหมดมันก็หมดเองกิเลสเมื่ออยากจะทิ้งมันก็ทิ้งเองเพราะเรามาทําที่เหตุเมาทําที่เหตุ ผลมันปรากฏเองแต่คนส่วนใหญ่แล้วมามุงม่งกว่าต้องดับทุกข์นะดับกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ดับทุกข์อย่างนั้นนเนี่ยจะทำเหตุมันไม่มถูกจะไปดับยังไงต้องม า, มาทำเหตุของมันนะวันนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าท่านตรัสที่เหตุสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราจะจัดการอะไรก็จัดการที่เหตุนะที่พระสาริบุตรฟังธรรมจากพระอาชาชชแล้วเข้าใจใช่ไหมว่า อาชาตดาของท่านสอนอย่างไรที่พระอาสาลีบุตรหรือตอนนั้นท่านเป็นอุปติสามานุปจะไหมไปถามตอนที่ก่อนจะบวชไปพบท่านอาชชีซึ่งได้บรรลุธรรมมาใหม่ๆจากพระพุทธเจ้าอาชชีก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในบัรจุวิชีทั้งห้าใช่ไืมอาชชีบอกโอ้ฉันเพิ่งบวชใหม่ท่านถึงเข้าธรรมมาใหม่ท่านอธิบายไม่ได้แร้วอุปติสามานุปไม่ต้องอธิบายท่านพูดแต่หัวข้อก็พอท่านก็พูดออกมา ว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสั่งเหตุตุนทคโตเตสัญจะโยนิโลโทจะเอวังวาทีมหสัมโนศาสนาของรถตัดอย่างเงี้ยแปลว่ายัางไรอันวินภาษาบาลีแปลว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นเกิดแต่เหตุถ้าเราจะจะได้สิ่งไหนเราทําสิ่งเหตุให้สิ่งนั้นให้ถูกเราจะดับสิ่งไหน ทำสิ่งสิ่งนั้นให้ถูกพระศาสดา ห, หรืออาจารย์ของเรากล่าวว่าอย่างนี้พราะตรัสกล่าวแค่นี้นะโอ๊ยอาจจะชี้ตัดแค่นี้ท่านอุปติสสะได้ดวงตจเห็นธรรมเลยคาถาสั้นๆนี่นนะคนสมัยนั้ น, น, นบางมากไงบางจนกระทั่งพอได้ฟังแค่นี้เข้าใจปับ๊บอ๋อได้ดวงตจเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายมีมาจากเหตุคุณจะจัดการว่าจะหมดกิเลสคุณ จ, จัดการเหตุของกิเลสมาจากอะไร เหตุว่าความทุกข์มาจากความไม่รู้อะไรของเหตุของความไม่รู้ความเผลอใช่ไหมที่จะทําำไงให้ความเผลอหายไปก็ทําความรู้สึกตัวพอเกิดความรู้สึกตัวนปั๊บความเผลอก็ไม่มีเมื่อความเผลอไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีแค่นั้นเองเพราะความทุกข์เป็นผลใช่ไหมก็มาจากความเผลอและสิ่งที่ตรงข้ามความเผลอคือความไม่เผลอการไม่เผลอคือการมีสติกำลัดรู้เห็นไหมก็สาเข้าไปหาเหตุของมันเพราะฉะนั้นเราจะทําเหตุนี้ให้ละเอียดถีทถ้วนไ้อย่างไรเนี่ย เพื่อเข้าไปไล่กิเลสชั้นกลางชั้นหยาบชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นเราจึงทําเหตุให้ถีท่ทุ่นลงไปถ้าเราทําเหตุแบบหยาบหยาบเก็ไล่กิเลสได้หยาบหยาบหาถ้าทำเหตุกลางกลางก็ไล่กิเลสแบบกลางกลางทำเหตุได้อย่างละเอียดแล้วล่กิเลสได้อย่างละเอียดก็คืออาสวะนะทุกมันก็มีหลายชั้นใช่ไหมหลายๆชั้นลงไปเราจึงทําความละเอียดของการรู้สึกตัวหลายชั้นมากก็คือให้ละเอียดไปตามลำดับเมื่อก่อน เ, เราอยากจะลุกกับลุกพลึด มันไม่มีระดับเลยใแต่เดี๋ยวนี้ลูกมีสติขึ้นหน่อยเอาต่อไปยิ่งมีสติยิ่งลุกยิ่งเห็นขบวนการชัดขึ้นยิ่งกว่านั้นเพราะเห็นเหตุของมันเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้เราพูดถึงกายานุปัสสนาในภาคปฏิบัติก็คือเอาไปสังเกตเฝ้าดูส่วนใครจะได้ทำละเอียดได้มากที่สุดขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคนนั้นว่าจะมีความตั้งใจมีความเข้มแข็งมีความอถีทุนแค่ไหน นะเราจะอ่ไปบังคับไปไม่ได้เรื่องนี้แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนบางคนมีพื้นฐานสติสัมัญยาดีมากการควบทรมการควบคุมการกลลําหนดรู้การติดตามตัวเองได้ละเอียดถี่ถ้วนดูและสมูทนุ่มนวลแล้วก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าบางคนทําไม่เป็นก็ดูแข็งกระด้างทื่อเป็นหุ่นยนต์เป็นกดกลงิงอันนี้ก็ไม่ถูกละต้องเปลี่ยนใหม่นะซึ่งเป็นเรื่องที่ คอยศึกษาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะมีการดีทิตเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีเวลาพิเศษมาศึกษาเรื่องนี้แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทําได้แต่ว่าเงื่อนไขมันเยอะเลือเกินนะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนั้นเราจิตของเราไม่มีเวลาตั้งเลยพอมาที่นี่เราตัดเงื่อนไขทุกอย่างที่บ้านออกไปแล้วมีเวลาล้วนๆอยู่กับตัวเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะ เราฉะนั้นในวันนี้เราจะได้ตั้งใจปฏิบัติกันไม่ว่าเราจะอยู่ินในอีบุตก็ตามเวลาที่เรากำหนดนะหลังจากที่เล็กฟัดแล้วประมาณแปดโมงถึงสิเอดโมงช่วงเพลงหลังจากเพลงแล้วเราก็ทำอย่างเมื่อวานแต่เมื่อวานนี้เราพลาดไปนิดถึงถือว่าเราไม่ได้เตรียมไอ้ทังขยะเอาไว้ พอทานเสร็จล้วก็รูปไปใครไปวัดกันเลยมาเลยวันนี้เราจะเตรียมทั้งขยะไว้พอทานเสร็จแล้วก็เอาทั้งขยะมาค่อยเก็บค่อยใส่ค่อยเช็ดไม่ต้องรีบเหมือนกันเถอะจนกระทั้งเสร็จหมดทุกคนให้เหมือนด้วยว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมขรมาฟูนอีดิงฮะขรมาฟูนันคือการปฏิบัติธรรมขั้นที่สองก็คือการกินกินยังไงให้ละเอียดทีท่วนแล้วก็เหมือนไม่ใช่การเป็นการกินแต่เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นตอนหนึ่ง หลังจะเสร็จหมดทุกคนเราเราค่อยลุกไปพร้อมกันเหมือนปกตินี่คือช่องชวงเช้ามีข้อสงสัยอะไรไหมก่อนที่จะลุกไปในรายละเอียดเกีเ่ยวกับกายานุปัสสนาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดทนแต่มาพูดถึงเรื่องอิเดียบทอยากไปเรียบทย่อยเ ท, ท่านั้นไม่ได้ล่วงล้าไปถึงเรื่องธาตุเรองอาการชันวิสของเรื่องอสุภะเพราะอันนั้นละเอียดเกินเอาเอาแค่สองข้อนี้พอคือดีบทสี่กับดีบทย่อย ก็สมส่วนเนี่ยเราเข้าไปดูว่าทําได้ละเอียดนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรานั่งแต่ละครั้งเนี่ยอย่าเปลี่ยนวัยเกินไปถ้าเปลี่ยนวเกินไปเราไม่เห็นอาการสุดท้ายของมันอาการสุดท้ายของมันเข้มแค่ไหนเจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนลึกแค่ไหนให้เห็นให้ชัดชัดแล้วเวลาเราเปลี่ยนเราจะเห็นชัดนะเราจะเปลี่ยนเราตั้งใจเปลี่ยนปั๊บเราจะเห็นเริ่มแดงแดงเราขยับเพอาขยับปั๊บอาการมันปวดมันก็จะเปลี่ยน เมืม่อคืนนี่นอนไม่เคยหลับนะนจริงเพรา ะ, ะ, ะว่ า, วา <c oughs> เปลี่ยนที่ใหม่นอนไม่เคยรับนะแต่วันนี้ก็จะถูกนิวรรบกวนหนักหนุนกันนะต้องต้องเอามันเป็นอุปกรณ์ให้ได้อย่าให้เป็นอุปสรรคไมนะนะ่มีมอะไรสงสัยเราก็จะกลับมาป้องกันพ้